แล้วก็เปรียบเหมือนว่าเหมือนนกตัวหนึ่งเอาชิ้นเนื้อเนี่ยได้ชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งขาบและบินไปขณะนั้นเน่ยเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นหรือนกอื่นๆเห็นก็ไล่จิกเพื่อจะแย่งชิ้นเนื้อนั้นแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันไปในบนอากาศบินกันไปจิกกันไป อันนี้คือความเบียดเบียนของการมคุณว่าเป็นที่มาใหงความลบลาค่าฟันกันเป็นที่มาของการที่จะเยอะแยงเบียดเบียนห้ำหันกันเปรียบเหมือนมายากลเปรียบเหมือนอเขาเรียกว่าห <c oughs> ลุมฐานเพิงที่ว่ามีแต่เพิงมีแต่ฐาน ร้อนเล่าเผาลนจิตใจฉะนั้นการมาคุณเนี่ยผู้รองค์ทรงเปียบไปมากมายว่าเป็นของที่น่ากลัวแล้วก็มีทุกข์เจ็บแสบฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงคิดหาทางที่ว่าหาทางกำจัดหาทางกำจัดกิเลสตัวนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีกามได้เราจะไม่มีโทษทั้งหมดเลย โทษของเราจะไม่มีเลยททษต่างๆในโลกนี้จะไม่มีเลยจึงคิดหาทางที่จะชนะกามก็คือเป็นพรหมจรรันทร์จะนั้นพรหมจันรร์ก็คือเป็นผู้พ้นออกจากกามนั่นเองแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงพิจารณาถึงความเป็นไปต่างๆว่าการที่บุคคลที่จมอยู่ในกามแล้วจะออกจากกามโดยการจมนั้นเป็นเหตุ คงเป็นไปไม่ได้แน่เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางบุคคลที่แช่น้ำไว้ไม้นั้นแช่น้ำอยู่เนี่ยจะมาสีไฟให้เกิดไฟหรือจะทำเป็นฟืนเป็นไฟคงใช้ไม่ได้ไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยแล้วก็แช่อยู่ในน้ำด้วยจะมาทำฟืนได้ทำไฟได้อย่างไรเป็นอันไม่ควรแท้ที่จะเกิดไฟได้ แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าบุคคล น, นั้นจะคิดออกจากกามก็คือลีกออกจากเย่าเรือนไปประพฤติภพมจาจันเป็นนักพจนักบวชซึ่งนักพจนักบวชนมีมาก่อนสมัยพุทธกาลแล้วก็คือรือสีชีพัยต่างๆก็คือคิดหาทางชนะตรงนี้แต่มนุษย์ของเราเนี่ยบางค น, นอาจจะไม่คิดเรื่องพวกนี้นะเพราะว่ า, เ, าเขาเรียกว่า ปัญญาบารมีไม่พอไม่ไม่ไมีไม่ไม Mike ีไมค so, ่ค ch ิดหรอกคนที่คิดเรื่องนี้ถือว่าเป็นคนที่มีปัญญานะคนที่มีเขาเรียกว่ามีบารวาสนาบารมีคนอื่นเขาจะไปคิดแต่นอกจากไหลไปตามกาอยังเดียวสนุกสนานไปตามกามเท่านั้นคนที่คิดอย่างนี้หมายถึงคนที่มีบารมีมากเพราะว่ามองไม่เหมือนคนโลกเขามองไม่มุมมองของคนนั้นจะไม่เหมือนใครในโลกเพราะความละเอียดด้วยสติปัญญา คนเหล่านี้ก็คือบุคคลที่จะเป็นผู้สร้างบา ร, รมีที่จะพ้นทุก์นั่นเองก็คือนักบวชต่างๆมีฤาษีชีพัยจนถึงนักบวดก็คือนักบวชพุทธศาสนานี้คิดอยากจะออกจากการมซึ่งความคิดนี้สวนกระแสคนโดยมากที่เขาไม่คิดกันทำไมคนเหล่านี้เห็นประโยชน์อะไรที่คิดเพราะเขามีสติปัญญามองว่าเรื่องนี้ต้องกาจัด คือไม่ไหลไปตามกระแสจึงประพฤติผมจรรจันขึ้นมาเมื่อบุคคลนั้นประพฤติผอมจรรย์ขึ้นมาสแสวงหาทางดับกามนี้เสียเพราะเห็นโทษมากบุคคลที่สองเนี่ยออกจากเย่าเลือนมาแล้วก็เข้าไปในปา่าบำเพ็ญสมาธิภาวนาต่างๆหาทางอุบายหลายๆอย่างเพื่อจะทำให้กามอยู่ในตนนี้เหือดแห้งลงไป แต่บุคคล น, นั้นเนี่ยออกแต่ตัวแต่ใจเนี่ยก็ยังปล่อยไปหาการอยู่ตัวนั้นออกแล้วแต่ใจไม่ออกบุคคลประเภทนี้เหมือนกับไม้สดที่ชุ่มด้วยอย่างแม้แต่วางบนบกก็มาทำฟืนทาไฟไม้สีไฟมาเกิดให้เปิดไฟไม่ได้เปรียบเหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยอย่าง ท่านอุปมานักบวชสาประเภทนะอันนี้คือประเภทที่สองประเภทแรกนี่จมอยู่ในกามเลยไม่ได้เหมือนว้สดชุ่มด้วยยางและแช่น้ำอยู่ไม่ได้แน่นอนประเภทนั้นตัดไปเลยประเภทที่สองดีขึ้นมานิดหนึ่งออกจากกามแล้วออกจากสามีภรรยาแล้วก็ไปพึ่งพรมจันทร์อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวแต่ว่าใจยังคิดถึงอยู่แต่ไม่หักห้ามใจนั้นชื่อว่าออกแต่ตัวแต่ใจไม่ออก เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางอาเอามาทำพื้นทำไฟไม่ได้แล้วก็ประเภททีส่สุดท้ายเนี่ยประเภทที่ดีที่สุดก็คือบุคคล น, นั้นออกจากเย่าเรือนประพฤษผมมาจันตัวออกมาด้วยแล้วก็ใจก็ออกด้วยอย่าเอาไปคิดสิ่งใดจิตที่คิดไปในทางกรมทั้งหลายอย่าตั้งจิตไว้เช่นนั้นอย่าให้จิตไปทางเส้นนั้นซะ ดำริออกซะเช่นจิตเนี่ยชาวบ้านทั่วไปก็คือปล่อยจิตคิดโน่นคิดนีนดด่ไปตามภาษาฉะนั้นบุคคลที่เป็นนักบวชจะคิดอย่างนั้นไม่ได้นั่นคือคนโลกเขาคิดจงคิดในสิ่งที่เขาไม่คิดนั่นแหละอย่าคิดในสิ่งนั้นเพราะนั่นคือการคิดไปทางกามเพราะชาวโลกทั้งมวลก็คือนา เ, เ, เขาเรียกปล่อยจิตไปสู่กามนั่นเองแล้วเราเป็นนักบวชจะปล่อยไปทำไม ถ้าปล่อยไปอยู่เนี่ยเราก็บรรูุถึงเป้าหมายที่ดีที่สุดไม่ได้ฉะนั้นนักบวชประเภทนี้เ้าเรียกว่าตัวออกจากกามและใจก็ออกซะอย่าให้ไปอยู่ตรงนั้นประเภทนี้เหมือนไม้แห้งที่อยู่บนบกบุคคลที่ต้องการไฟจะมาทําสีไฟก็เกิดจะทําฟืนทําไฟก็เกิดได้นักบวชประเภทนี้เองสามารถที่จะพ้นจากทุกหรือกามนี้ได้ อันนี้ท่านวิเคราะห์ว่าการจะชนะกามเนี่ยจะชนะโดยวิธีนี้ฉะนั้นเวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเวลาเราจะเอาเอาเรื่องนี้ เ, เราจะจะทำลายเรื่องกามเนี่ยเราจะปล่อยจิตดังเก่าไม่ได้เลยนะไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะการปล่อยไปจิตไปตามนั้นเท่ากับว่าเราส่งเสริมให้อาหารแก่กามนั้นให้มากขึ้นอเหมือนกับเราไปเพิ่มสเสบียงเพิ่มอาหารของเขา เขาก็จะงอกงามนาที่นั้นต่อไปซึ่งไม่ได้เลยอันนี้ก็คือว่าหนทางที่จะนำไปสู่การชนะกามถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ทำลายแล้วเนี่ยจะไม่มีทางการไม่มีทางการไม่มีการที่จะเข้าสู่พระธรรมคำสอนพระเจ้าไม่ได้เลยเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยก็เลยว่าเราจะต้องมาศึกษาเรื่องการนี้ก่อน ตาบใดกามนี่มีอยู่การตั้งมั่นของสมาธิมีไม่มีไม่ได้เลยก็เลยพรนนาความเป็นไปต่างๆของกามว่าเราจะต้องพิจารณาว่โดย่องแท้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องออกอย่างเดียว อ, อันนี้ก็คือบางคนก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้มั้งของอย่างนี้เพราะว่าธรรมชาติให้มาอย่างนี้เราจะแก้ไขธรรมชาติเนี่ยมันจะได้หรือ ในเมื่อธรรมชาติสร้างอะไรมาเราจะฝืนธรรมชาติได้อย่างไรบางคนอาจจะคิดนะความจริงแล้วเนี่ยธรรมชาติเป็นของแก้ได้ถ้าธรรมชาตินี้เป็นของแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยพุทธเจ้ามีไม่ได้ในโลกพระอรหันต์ทั้งหลายมีไม่ได้ในโลกเพราะพระอรหันต์หรือพระยะ่ยะเจ้าเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผู้สิ้นแล้วซึ่งกามทั้งนั้นเลยไม่มีใครเลยที่มีกาม แต่ก็มาจากคนที่มีนั่นเองแล้วก็สิ้นไปแสดงว่าธรรมชาตินี้เป็นของแก้ได้แน่นอนอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าก็คือต้องมารเรียนรู้เรื่องกามนี้เพราะว่าเราอยู่ๆเราจะมุ่งทศมาที่ด้านเดียวทําสมาธิต่างอย่างเดียวเนี่ยเราไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดทำเท่าไหร่เดี๋ยวก็ เราเห็นไมว่าเราทำทำยากยากสมาธิเกิดไม่ได้หรือเวลาเกิดแล้วเนี่ยก็รักษาสมาธิไม่อยู่งอนแงนคอนแคนงอนแงนคอนแคนแถมมีหนามซ้ำเรื่องที่จะลึกกว่านั้นซึ่งเป็นการที่จะพ้นทุกหรือว่าเข้าถึงพระนิพพานอย่าไม่ต้องพูดถึงเลยเราจะไม่ได้แน่นอนเพราะพระนิพพานนี่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีการ ถ้าเรามุ่งความมุ่งความหลุดพ้นหรือว่าความเป็นพระยะเจ้าเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะอยู่ๆเราจะไปชนะเขาโดยการที่ไม่รู้อะไรเขาเลยเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่ารู้เขารู้เราเราถึงจะชนะข้าศึกได้ก็อันนี้แหละการกามกามมาุณทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้อย่างที่แท้จริงก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าโทษมากมายมีเกิดจากกรม โทษโลกนี้ก็หมิ่นเมต่อการที่เราจะติดคุกติดตารางอลบลาฆ่าฟันครอบครัวทั้งหมดเดือดร้อนลูกเต้าหลานเลนเดือดร้อนหมดเลยวุ่นวายบ้านเมืองวุ่นวายก็มาจากกามนี่เองสามีภรรยาเรื่องนี้เนี่ยทุกมากมีแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องกามทั้งนั้นทะเละาะเบาะแวงกันทุกวันเพราะไม่เพียงพอในกามาคุณเหล่านั้นเพราะกามเนี่ยเชื่อไหมว่า เขาไม่สํานึกเลยว่าจะถูกต้องหรือถูกถูกชอบทําอะไ ร, รเขาไม่สนใจหรอกอแทนที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราน่าจะคิดว่าเมื่อธรรมชาติให้มาเรื่องกามนี้มนุษย์ทั้งหลายก็มีกามแต่แทนที่ว่าจิตนั้นนะ่ะเมื่อเขาให้กามเรามาก็น่าจะให้เราเนี่ยยินดีเฉพาะสามีภรรยาของเราเออให้มาก็ให้มาแต่ให้เราเนี่ยยินดีแค่สามีภรรยา คนอื่นจะไม่ยินดีเลยเพราะธรรมชาติไม่ให้ให้ยินดีเฉพาะคู่ของตัวเองเออถ้าอย่างนี้ก็ค่อยค่อยอยังชั่วเนาะโทษก็คงไม่มีเห็นคนอื่น เ, นยเฉยหมดเลยเห็นสามีภรรยาของเราเท่านั้นที่จะมีความยินดีเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ค่อยอยังชั่วนะแต่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะไม่มีเลยไม่มีขอบเขตเลยถึงแม้ว่าเราจะมีขอบเขตกัว่าอ้าวสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันสมัครรักใครกัน จิตไม่เคยขอบเขตนั้นเลยไม่มีขอบเขตที่จะกั้นจิตได้เลยจิตนี้เลวร้วามากเลยเลอะเทอะไปหมดไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนอะไรเลยมันถึงได้เรื่องราวมันปั่นป่วนไปทั้งทั่วโลก ม, มันเป็นอย่างนั้นนะอ ย, อย่างนกเนี่ยน ะ, ะนกบางตัวเช่นนกเงือกเนี่ยเชื่อไหมว่าถ้านกนกเงือกเนี่ยนกตัวใหญ่ๆ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปฆ่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ย คู่ของเขาจะไม่ยอมท่านบินขึ้นบนอากาศแล้วก็พับปีกแล้วดิ่งหัวลงเลยตายอย่างเดียวไม่ยอมมีคู่ครองคนใหม่เลยเออมนุษย์เราน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเขาเรียกว่ามีก็มีแต่ให้รักเดียวนกเงือกเนี่นะเขาว่ากันนะว่าถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งตายปุ๊บตัวที่ตัวที่อยู่ต้องตายฆ่าตัวเองตายเลยบินขึ้นสูงสูงแล้วก็พับปีกเลยไม่ไปกลางปีก แล้วก็ดิ่งเลยเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะไม่เป็นเลยน้ำตา ย, ยังไม่แห้งเลยดนะเวลาสามีพยาตายเด็มีใหม่อีกแล้ว <c oughs> คือคื อ, ค, อ, ค, อความความไม่พอดีจิตเราเนี่มันเลอะเทอะมากทาั้งทั้งที่มนุษย์นี่ก็เาเรียกว่าสัตว์ฉลาดแต่เลอะเทอะมากเลยแล้วเรื่องนี้ไม่มีขอบเขตเลยเลยเดือดร้อนไปหมดเลย ถึงเรามีลูกมีเต้าก็ระวังระแวงระแวงระวังหมดเลยเพราะไม่ไว้ใจเรื่องนี้เลยเยอะแยะเยาวชนที่เสียหายเรื่องพวกนี้เพราะว่าทุกคนพก พ, กพากิเลสมาทุกคนเลยโตมาหน่อยก็มีละกิเลสก็ผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นตัวอย่างเด็กๆก็ไปหมดเลยสังคมเลวร้ายหมดวุ่นวายไปหมดกามนี้เป็นเหตุนะอันนี้คือโทษของเขาทีนี้ว่า มนุษย์ก็เลยว่ามีมนุษย์กลุ่มหนึ่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วหาทางแก้ไขเรื่องนี้ก็คือเอาออกซะหาทางเอาออกให้ได้ถึงแม้ธรรมชาติให้มาคือวิเคราะห์แล้วไงว่าสุขที่ได้รับกับโทษที่ตามมาไม่คุ้มกันเมื่อไม่คุ้มแล้วปุ๊บคิดหาทางกาจัดเพื่อตัวกาจัดเพื่ออะไรเพื่อจะมีความสุขขึ้น แต่ก็ไม่ใช่สุขนี้สุขนี้ถือว่าสุขของกามนี้ถือว่าเป็นความสุขที่เราทําตามมาแล้วแต่โทษที่ตามมามันมากกว่าก็เลยคิดว่าฉะนั้นเราหาทางที่กาจัดกามเพื่อจะมีความสุขมากกว่าดีไม่เอาไม่เอาความสุขชนิดนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระอรหันต์ถึงเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะทําลายกามเสียแต่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าเราทําลายกามได้นะ สุขในการทำลายของกามเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเน่ฆมาสุขซึ่งเป็นสุขมากกว่ากามที่เราสละไปอีกเขาเรียกว่าสุขของกามนี้ไม่เท่าหนึ่งส่วนสิบหกไม่เท่าหนึ่งส่วนของสิบหกเราก็ไม่ค่อยจะแน่มั่นใจขนาดนั้นเฉยหรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถึงนะเราก็คิดว่าเออไม่น่าจะขนาดนั้นนะ น่าจะไม่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นน่าจะดีไม่ดีก็จะน้อยกว่ากามซะอีกกามอาจจะมีความสุขมากกว่าอีกเราก็คิดตามภาษานั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไปทำไปเราเราไปเสวยผลอันนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเชื่อว่าความสุขที่เราปลดจากกามไปแล้วเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่จริงๆซึ่งเราไม่เคยพบมาก่อนว่าสุขยิ่งกว่ากามสิบหกเท่านั้นเหนึ่งส่วนสิบหกที่ว่าพระานทั้งหลายท่านเปรียบเปยไว้นะ ไม่ถึงหนึ่งนะไม่ถึงหนึ่งส่วนของสิบหกไม่ใช่ว่าหนึ่งส่วนสิบหกนะไม่ถึงหนึ่งแสดงว่าเนกขัมมาสุขเนี่ยเป็นความสุขมากเพราะว่าเราก็ต้องการความสุขนั่นแหละแต่สุขที่เนื่องด้วยกรรมนี่มันเป็นโทษมากแต่สุขอะไรที่ไม่มีโทษอยากได้ก็คือความสุขอยู่ดีสละสุขดวนส่วนน้อเนี่ยซะแล้วก็อยากได้สุขที่ไม่มีโทษก็คือความสุขที่เน่ัมมาสุข อันนี้ละสาธาชนทั้งหลายว่าการที่เราคิดอยากจะกาจัดกามนี้ก็เกิดขึ้นโดวยวิธีมีเหตุผลอย่างนี้ฉะนั้นใครที่คิดอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ชื่อว่ามีบุญบารามีมากนะซึ่งความคิดอย่างนี้เนี่ยจะไม่เกิดแก่ใครได้ง่ายนอกจากคนนั้นนะ่มีสติปัญญามีบารามีถึงจะคิดเรื่องนี้ธรรมชาติของคนเรานี่ไม่คิดอย่างนี้หรอกคิดแต่อยากจะเพิ่มพูนให้มากอย่างเดียว ไม่มากขอให้มากอย่างเดียวเครื่องการาบมากมายเห็นไ้มชาวโลกเขาก็มากมายเลยพยายามกามไม่มีหาให้มีนะพยายามสร้างให้มีมากๆด้วยนะถือว่าไม่มีนี่สิว่าแย่ให้มากมากเทอาด้วยแต่ทางธรรมะแล้วเอาออกอย่างเดียวเอาออกอย่างเดียวคือออกให้หมดเลยแล้วก็เป็นของออกได้จริงๆนะออกได้จริงๆแล้วก็จิตสงบเลยนะนิ่งตลอดชีวิตเลย นิ่งมากแล้วนิ่งอันนั้นเองจึงเขาเรียกว่าเนคข ม, มสุขอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเราจะต้องกําจัดกามนี่เสียเพราะเหตุผลอันนี้ อ, อันนี้ก็คืออ้างเหตุผลว่าอาการนี้มากมายที่ทําให้เราเนี่ยอเป็นทุกข์มากกว่าสุขที่ได้รับอย่างที่บอกว่าสุนัขแทะกระดูกนั่นี่ลหรือเปรียบอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเยืออ่อเหมือนกับว่าเยื่อตกปลาน่ะ ความอร่อยของเหยื่อ น, นิดเดียวแต่เบ็ดที่เกี่ยวไว้นั่นสิเราต้องตายกับเบ็ดนั่นแหละตายกับเหยื่อ น, นั่นแหละเหยื่อ น, นีนอิ่มท้องก็ไม่อิ่มนะแต่เบ็ดที่เกี่ยวนั้นเราต้องตายด้วยดันั้นเราต้องเสี่ยงความตายเข้าไปทีเดียวอเอาตาความตายเข้าไปแรกนะ่ะเพราะเพราะเพื่อความอิ่มท้องหน่อยเดียวเท่านั้นเองอันนี้ประช า, าชนทั้งหลายว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโทษของกามนี้มากมายก็เลยว่า เราจะต้องมารู้จักว่ากามนี้เป็นของที่ต้องกำจัดฉะนั้นศาสนาจึงเป็นศาสนาที่กำจัดกามถ้าคนไหนไม่มีกรมและโทษจะไม่มีจริงๆโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีคนนั้นจะปลอดภัยเพราะว่าเราตายแล้วเนี่ยมันใช่ไม่ใช่แล้วนะเราจะต้องไปเสวยเพราะความโทษความเป็นทุกข์เป็นโทษของกรมนั่นอีก ทีนี้เรามาพูดถึงว่าการที่เราจะเอาการออกนี้ก่ออกได้อย่างไรก็พันธนาถึงโทษมามากมายนะก็มาเรียนรู้ว่าเมื่อโทษมามากมายอย่างนี้เนี่ยเราจะเอาการออกนี้ออกได้อย่างไรก่อนอื่นจะเอาออกเนี่ยเราต้องมารรู้จากว่าการของคนเราเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งกิเลสการสองวัตถุการ กิเลสกามก็หมายถึงว่าหญิงและชายนั้นเป็นวัตถุกามแต่ความกําหนัดของหญิงและชายที่มีอยู่นั้นเป็นกิเลสกามเราจะเห็นไหมว่ากิเลสกรรมกับวัตถุกามเป็นของเนื่องกันหญิงและชายนั้นเป็นวัตถุกรรมแต่ความกําหนัดของหญิงและชายนั้นเป็นกรรมของบุคคล ถ้าบุคคลนั้นกระชากความเป็นกลามนั้นออกเสียจากใจของบุรุษและสตีนั้นหญิงได้ชายนั้นก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองหญิงและชายไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดของหญิงและชายนั้นต่างหากเป็นกามของบุคคลเราเห็นชัดหรื อ, อยังว่ากามกับกิเลสกลามเราจะกำจัดกิเลสกลามแต่วัตถุกลามไม่ต้องกำจัด ตั้งอยู่อย่างนั้นเองหรือบอกว่าหญิงได้ชายมีความยินดีกันแต่ถ้าหญิงได้ชายนั้นกระชากความยินดีนั้นออกเสียได้หญิงได้ชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองก็เท่ากับว่าให้มีหญิงได้ชายนั่นแหละแต่เอาความกำหนัดยินดีเป็นเป็นกามนั้นออกซะเหมือนเผือกเหมือนหัวเผือกหัวกอยที่เราเอาความเมาความขันออกซะแล้วมันจะอร่อยจิตคนเราก็เหมือนกันว่า หญิงได้ชายก็คือความยินดีในะหญิงได้ชานออกซะแล้วเราจะเป็นผู้อยู่อย่างสันติภาพ อ, อันนี้ก็คือว่าคนเราจะต้องกําจัดกิเลสตัวนี้ก็คือกามออกให้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อคนเมือ่อเมื่อเรามารู้จักว่ากามกับกิเลสกามเนี่ยก็คือกําจัดกิเลสกามทีนี้ว่า ก่อนที่เราจะมากำจัดเรื่องกามนี้เราจะต้องรู้สมาธิเบื้องต้นก่อนที่เรามาฝึกกันในในใ น, ในหลายวัดหลายสำนักกันก็คือทำสมาธิ <c oughs> <c oughs> ทำสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือพยายามให้จิตตั้งมั่นขึ้นมา โดยไม่มีการไหลไปสู่กามนั้นพยายามจะประคับประคองจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไหลไปตามกระแสของกามก็คือพยายามประคับประคองตะล่อมจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ที่อันเดียวจุดเดียวอ่าก็เลยว่าพยายามรวบรวมความรู้สึกของจิตนะอยู่ในจุดเดียวเพื่อให้จิตเนี่ยละการเกาะเกี่ยวของอารมณ์ของ ของโลกก็คือกามคุณนั้นฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเขาเรียกว่าสั่งจากกามสั่งจากความคิดอกุศลและจิตก็สงบลงไปความสั่งัดรอย่างนั้นน่ยเขาเรียกว่าความสั่งัดชั่วขณะความดับกามขณะนั้นเขาเรียกว่าดับชั่วขณะเท่านั้นอาการดับกามการสั่งจากรกามนั้นเป็นการดับชั่วขณะ แล้วสมาธิที่เราทำขึ้นมาก็สามารถจะตั้งมั่นได้แต่เมื่อการตั้งมั่นของจิตหรือสมาธิของเราเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเมื่อการ ม, มีอยู่ก็ตั้งมั่นได้ชั่วขณะเหมือนกันเมื่อเราระงับการไปชั่วขณะเวลาสมาธิเกิดมาก็เกิดชั่วขณะฉะนั้นเวลาทำสมาธิขึ้นมาจิตเป็นสมาธิขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการแล้วหมดก็ดับไปก่อน แต่ว่าไม่ได้หายนะอยู่นั่นแหละแต่ดับไปก่อนเพราะจิตขนาดนั้นเนี่ยหลีกตัวเองายไปที่สงบแล้วก็ทิ้งกามเอาไว้ภายนอกทำให้กิเลสกามตัวนี้ดับชั่วขณะชั่วคราว เ, เมื่อจิตละกามไปแล้วก็นิ่งอยู่ทำให้จิตเนี่ยมีสมาธิขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นความสุขอันเกิดจากสมาธิที่ตั้งขึ้นมานั้น เป็นความสุขที่ไม่ใช่กามเป็นความสุขใหม่ที่เราไม่เคยผ่านพบมาก่อนว่าโอ้เมื่อก่อนเราไม่มีไม่มีสมาธิเราไม่เคยทำสมาธิมาเราก็เห็นว่ากามเนี่ยมีความสุขมากเท่าที่มนุษย์มพจะมองเห็นก็คือสุขอื่นก็ไม่มีอะไรเขายิ่งกว่า น, นอะไรก็ไม่มีนอกจากกามเท่านั้นแต่เมื่อเรามาทำสมาธิขึ้นมาจิตที่เราตั้งมั่นเป็นสมาธินี่เอง ทำให้เรารู้ว่าเป็นความสุขมากสุขยิ่งกว่ากามด้วยเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยหลอะไรเป็นความสุขของตัวมันเองเราก็พอใจความสุขที่สองนี้ว่าความสุขแรกก็คือความสุขของกามที่เรามีอยู่ก่อนแล้วความสุขที่สองก็คือความสุขที่จิตที่ตั้งมั่นขึ้นเป็นสมาธิเห็นความสุขนั้นปานีดกว่ากาม แต่ว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยในเมื่อเรากามเรื่ังไม่ได้ออกออกแต่เพียงแต่ว่าหลีกมาเท่านั้นเองหลีกมาหมายถึงว่ามันมีอยู่แต่เราหลีกมาหลบมาขนาดเราหลบมายังมีความสุขปานนี้แต่ถ้าเราหมดไปเสได้เนี่ยเราความมีความสุขมากทีเดียวก็เลยว่าสมาธิที่ทำขึ้นมานั้นหลังจากออกสมาธิปุ๊บเนี่ยสุขของสมาธิก็หายไป มามากรปปากฏก็คือก็มีความสุขของกามเข้ามาแทนที่ความสุขของกามตรงนี้เนี่ยจึงเป็นความสุขใหม่ที่เข้ามาแทนที่สมาธิที่ที่ที่เราจากไปสมาธิที่เราทำไปเนี่ยก็สุขแบบสมาธินะแต่ออกจากสมาธิแล้วเนี่ย เราก็มาสุขควกามต่อด้นสมาธิที่เราทำกันไปเนี่ยจึงจัดว่าเป็นสมาธิโลกีที่ไม่สามารถจะทำลายกามได้ด้านคนทำสมาธิเนี่ยเวลาทำสมาธิไปเนี่ยขณะที่เข้าสมาธิจิตก็นิ่งก็กามก็ไม่มีแร้แต่ออกมามีเหมือนเดิมสมาธิใดที่ทำแล้วเนี่ย กาลที่มีอยู่ไม่ได้เหือดแห้งไปไหนมีอยู่นั่นเองสมาธินั้นชื่อว่าสมาธิโลกีเพราะกามนี้เป็นโลกีอยู่แล้วแต่สมาธิที่เกิดนั้นยังไม่ปราศจากกามจึงจัดว่าสมาธินั้นเป็นสมาธิโลกีตามไปกามนั่นเองตามกามกาลเป็นโลกีอยู่แล้วก็เคยกลายเป็นว่าสมาธินั้นก็กลายเป็นโลกีไป สมาธิโลกียะนั่นเองเวลาเราทําสมาธิเนี่ยก็การมันก็จะดับไปแต่ดับชั่วข้าวนะอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราออกจากสมาธิก็มีเหมือนเดิมแล้วบางคนนั้นก็คิดว่าเราจะทําสมาธิซ้ําๆ ซ, ซากๆทาให้มากทําให้มากกว่านี้จนในที่สุดเนี่ยทําให้ถึงที่สุดแล้ว คิดว่าถ้าเราทำมากทามากมายทาบ่อยๆกามที่เรามีอยู่เนี่ยก็คงจะหมดไปในที่สุดคิดอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองที่คิดว่าตอนที่เข้าสมาธิปุ๊บในกามดับไปเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากถ้าตัวเองอยากจะให้คนสุขนั้นมากๆก็คือทำสมาธิมากๆไ้กามจะแห้งไปเองความคิดอย่างนี้นะมีทุกคนนะที่ทำสมาธิใหม่ๆ คิดว่าคงจะทําให้กามที่มีอยู่เนี่ยดับได้ในที่ดับได้โดยวิธีนี้ก็คือทําสมาธิให้มากทําให้มากเจริญให้มากนั้นปรากฏว่าทําไปทําไปทําไปทําไปเนี่ยไม่มีวี่แววที่จะดับไม่มีวี่แววที่จะดับเลยกามนั้นจะไม่ดับจนในที่สุดแล้วแเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าก็ไม่สามารถที่จะดับได้ คิดว่าสมาธิที่เราทำนี้เป็นสมาธิที่จะแผดเผากามให้เหือดแห้งไปคิดอย่างนั้นแต่เวลาทำเนี่ยมันละไม่ได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยด้วยอานาจของสมาธิ น, นี้ไม่สามารถจะฆ่ากามได้เลยเราเราไม่ไม่ไม่สามารถที่จะฆ่ากามได้เลย อันนี้นักปฏิบัติสามารถจะพิสูจน์ได้เลยว่าสมาธิที่เราทําเนี่ยกําจัดกามไม่ได้หรอกทํายังไงทํำยังไงก็ออกไม่หมดคือตอนที่เข้าสมาธิน่ะมันมั น, ม, นมันไม่มีกามก็จริงแต่ออกมาก็มีเหมือนเดิมแล้วเขาก็ทําวิธีนั้นอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่องกรารนี้ได้เลยว่า สมาธินี้ไม่สามารถจะกําจัดดากามได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ากามนี้ไม่สามารถจะดับด้วยสมาธิแล้วกามนี้จะดับด้วยอะไรกามนี้จะดับด้วยการอบรมมัคแสดงว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยยังไม่ใช่มัคใช่ไหมอย่างไม่ใช่ก็เลยว่าสมาธิที่เราทาเนี่ย จึงเป็นสมาธิโลกีไม่ใช่เรนสมาธิโลกุตระเพราะว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยไม่สามารถที่ทำลายกามได้เลยบางคนทำสมาธิมากไปมากไปนะสามารถจะระลึกชาติได้ว่าคนเนี้ยเป็นสามีภรรยาเคยเคยเป็นอดีตเป็นสามีเป็นภรรยากันเชื่อไหมว่าขนาดระลึกชาติได้นะยังกลับไปสู่การเป็นสามีภรรยาใหม่อีก หมายถึงว่ า, า, าคิดว่าคนนี้เป็นสามีภรรยาเก็เลยมีขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าเยอะเลยขนาดรู้พบชาติแล้วนะแต่ก็ยังไปลอยเดิมอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเพราะว่าอนาตสมาธิเวลาทำไปเนี่ยมันสามารถจะเป็นได้นะสามารถระ ล, ลึกชาติได้ก็มีสามารถที่จะรู้วาระจิตคนรู้สวรรค์นรกรู้ได้เลยเวลาทำมากๆจะรู้ได้ แต่รู้ขนาดไหนนะกามก็ไม่หมดเลยกามไม่หมดมีอย่างไงก็มีอย่างนั้นดีไม่ดีก็รู้ว่าอดีตชาติตัวเองเคยเป็นอย่างไรกับคนคนนี้กลายว่าจะต้องมีขึ้นมาเป็นชาตินี้อีกอันนี้คืออย่างไงก็ ต, ตามอำนาจของกามอยู่ดีซึ่งใครที่ทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางชนะกามได้เลยบอกตรงๆเลยไม่ชนะกาม แล้วกามเนี่ยจะชนะด้วยวิธีอื่นไม่ใช่อย่างนี้เ ด, เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าชนะได้อย่างไรเพราะว่าสมาธินี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเราหลบหลีกหนีกามไปแล้วกิเลสของเราเนี่ยที่จะละได้เนี่ยเขาเรียกว่าละด้วยการอบรมมัก อ, อบรมมักแล้วก็มีปัญญาเนี่ยเป็นตัวสําคัญในการละ กิเลสของคนเราเนี่ยใช้ปัญญาละนะปัญญาส่วนใหญ่คือปัญญานั่นแหละเป็นใหญ่ที่จะทำลายกิเลสได้ไม่ใช่สมาธิทำลายกิเลสนะในใครบอกว่าสมาธิทำลายกิเลสทำลายกิเลสเนี่ยลองทำก็รู้คือคำพูดคนอื่นเขาพูดได้นะแต่เวลาเราทำน่ะเราจะรู้ว่ามันไม่ละไม่ได้จริงๆเลยใครพูดยังไงก็ได้แต่ผลการพิสูจน์ของเรานั่นะจะเป็นเครื่องบอกเราเองว่า เราละได้ไหมสมาธิที่เราทำเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างไรเชื่อแน่ว่าละไม่ได้แน่นอนลองทําได้เลยสมาธิที่เราทํากันเนี่ยละไม่ได้แต่ว่าความจริงกรรมนี่ละได้นะแต่เราละด้วยวิธีอื่นไม่ใช่อย่างนี้ทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าการละกามทั้งหลายเนี่ยจะละด้วยวิธีใดพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่า การที่เราคิดถึงกามเนี่ยหรือกามที่มีอยู่เนี่ยเพราะเป็นการดำริหาความคิดของคนเราเนี่เองทำให้กามนี้เกิดขึ้นมามากมายการดำริของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกามความดำริของใจนั้นทำให้กามนี้ เกิดก็ได้ดับก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งปัญญาเป็นเครื่องแนะนำหรือนำทางไปสู่ความถูกต้องเพราะว่ากามเหล่านี้เนี่ยพพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าที่พุทธองค์ทรงตัดสูนะ้มีนางตันหานางราคานางอารดีที่มายั่วยวน เขาเรียกวัดทิยาพยามาณพระองค์ทรงกล่าวว่าดูก่อนอกามเรารู้จากเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากการดําริบัดนี้เราจะไม่ดําริถึงเจ้าแล้วอันนี้เป็นคําที่ว่าพระองค์ทรงกล่าวกับทิยาพยามาณว่ากามเรารู้จากเจ้าแล้วว่าเจ้าเกิดจากความดําริ ความด âm รินั้นเราได้ทำลายแล้วเราจะไม่ด â ริถึงเจ้าอีกแล้วทำลายสิ้นไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปว่าด â ริอย่างไรทีนี้ว่าเราทำสมาธิไปจิตเราก็ไม่สามารถจะพ้นออกจากกามแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดว่าจิตเราพ้นออกจากกามได้อย่างที่เคยบอกว่า จิตของเราจะตั้งมั่นตลอดเวลาเลยตลอดชีวิตเลยนะจิตเราสามารถจะเป็นได้ฉะนั้นเวลาเวลาทำลายกามได้เนี่ยจิตของนั้นจะเป็นสมาธิตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตเลยนะจะเป็นหนึ่งเดียวตลด ไ, ดได้ตลอดเลยซึ่งน่าอัศาจรรย์ว่าอกามนี่เองทำให้เราไม่มีสมาธิหรือสมาธิที่เราตั้งได้ก็ไม่สามารถจะรักษาได้ง่ายคอยจะก้อนแงนคอนแคนล้มอยู่เสมอเพราะอะไรกามนี่เองเป็นเหตุ ถ้าเราหวังว่าอยากจะให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลามีทางเดียวก็คือทำลายกามซะแล้วก็กามนี้เองจะทำลายด้วยวิธีอย่างไรก็คือไม่ดำริหาการดำรินั่นเองจะเป็นสิ่งที่มาของกามแล้วก็การดำริชนิดหนึ่งนั่นเองจะเป็นที่มาของการทำลายกามทีนี้เราเรามาดูว่า การจะทำให้กามนีเกิดแห้งไปเนี่ยเราจะดํหลิอย่างไรและจะทำอย่างไรก่อนอื่นก็คือปัญญาต้องเข้าใจก่อนปัญญาตัวนี้จะเป็นตัวตรวจสอบให้เราเข้าใจหลายอย่างฉะนั้นอริยามรรคเนี่ยถึงได้กล่าวว่าต้องมีปัญญานำหน้าเสมอชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิก็คือว่าความเห็นชอบ ความเห็นของเราจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะนำทางไปสู่การที่เราสามารถที่จะทำลายกามได้ฉะนั้นความเห็นถูกต้องตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรเห็นว่ากามทั้งหมดจะเกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุคือเห็นทุกเห็นเหตุของทุกเห็นกะ เขาเรียกว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์การดับทุกข์คือดับตัณหานั้นการมตัณหานั่นเองภาวตัณหาวิภาวะตัณหานั่นเองแล้วก็หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์คือเห็นแจ้งว่าอาการทั้งหลายนนะ่นมันเกิดที่ไหนดับที่ไหนอะไรเป็นเหตุแล้วก็ดับตามนั้นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นอิยสัตว่าทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัตินำไปสู่การดับทุกข์ ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูที่ว่าวการที่เราจะดับกามเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ า, วาการเกิดของกามก่อน pounds, ว่ากามเนี่ยเกิดได้อย่างไรก่อนจะรู้การดับเนี่ยต้องรู้การเกิดของเขาก่อนเขาเรียกว่ารู้ความเกิดความดับของกามนั้นพพุทธองค์ทรงกล่าวว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่กามที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามไพบุญในใจบุคคลนั้นท่านกล่าวว่าสุภาะนิมิตสุภนิมิตตัวนี้เป็นตัวทำให้คนเออเป็นให้เป็นเหตุให้การมนั้นเกิดสุภาษไปว่าอะไรสุภาษแปว่างามนิมิตแปว่าอะไร นิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายแห่งความงามแปลไปแล้วนะอะไรหนอเป็นเครื่องหมายอะไรหนอชื่อว่าความงามหญิงก็ดีชายก็ดีเนี่ยซึ่งมีจิตปฏิพัติกันอยู่เป็นธรรมชาติฉะนั้นไม่มีรูปอันใดที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ บุรุษนี้มีความกำหนัดยินดีเท่ากับเสียงสติรูปรสกลิ่นเสียงโพธพะอันใดที่อยู่ในสตินั้นจะเป็นที่เกี่ยวใจเกี่ยวจิตใจของบุรุษให้ติดอยู่ไม่มีอะไรที่จะบุรุษจะติดใจในในสติก็คือรูปรสกลิ่นเสียง ไม่มีอะไรที่สติเนี่ยจะยินดีบรุษก็เท่ากับรูปของรูปรดกลิ่นเสียงของบรุษรูปลดกลิ่นเสียงโพธิภพของบรุษนั้นนั่นเองซึ่งกันและกันนั่นเองฉะนั้นเวลาเราเนี่ยเวลาเวลาการมคุนี่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าขณะใดหญิงก็แลกชายคิดถึงกันอาคิดคิดถึงกันและกัน เวลาเราคิดถึงใครเนี่ยโดยเฉพาะว่าหญิงก็ดีชายก็ดีคิดถึงกันแล้วกันเนี่ยเวลาคิดปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก่อนภาพเคยเห็นไหมเวลาเราคิดถึงใครเนี่ยภาพนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตเราภาพนั้นมาจากไหนมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเกาะเกี่ยวออกมาเราไปเห็นเขามาจำเขาได้ ไปเห็นเขาไปฟังเสียงเขาไปเคยคุกคีกับคนนั้นเคยรู้จักคนนั้นก็เลยมีความชอบพอกันแต่ขนานั้นเนี่ยคนนั้นจะอยู่หรือไม่ก็ตามแต่จิตมันบันทึกไว้หมดแล้วมันมันอยู่ในตัวมันหมดแล้วแล้วเวลาเราคิดถึงสิ่งที่เราคุกคีกับบุคคล น, นั้นมาก่อนภาพนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อภาพนั้นปรากฏขึ้นมาเนี่ยภาพอันนั้นนะภาพทางจิตน่ ภาพทางใจนะ่ะเวลาเราคิดถึงใครนะภาพนั้นก็จะปรากฏภาพนั้นนะ่ะเขาเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะประเอินภาพนั้นนะเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความเสน่หาความรักความพอใจก็กลายเป็นว่าเป็นภาพที่ยั่วยวน<า>เขาเรียกว่าสุภาษสุภาษแปลว่างามอนะสุภาษแปลว่าไม่งาม ฉะนั้นสุภะเนี่ยแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายรวมความแล้วก็คือเครื่องหมายที่ตั้งอยู่ด้วยความงดงามความใคร่ความเสน่หาความพอใจความรักนั่นเองฉะนั้นความรักความใคร่ความเสน่หาเนี่ยไม่มีใครนอกจากบุรุษและสตีนั่นเองอซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกัน ฉะนั้นเวลาเรานึกถึงค่าภาพ เ, เวลานึกถึงเพศตรงข้ามเนี่ยเราก็จะนึกเป็นภาพออกมาภาพนั้นก็คือภาพทางใจที่เราไปเกาะเกี่ยวกับเขามาอ่าที่ประจําวันที่เราผ่านพบมาก็เก็บมาเป็นความคิดในใจเป็นอารมณ์ของใจว่างั้นเถอะก็เลยว่าจะนึกถึงเขาเมื่อไหร่ก็จะนึกขึ้นมาปุ๊บทีแรกตั้งภาพนั้นไว้ภาพที่เพศภาพที่คิดครั้งแรกนั่นเนี่ยเขาเรียกว่านิมิต สุภานิมิตแปลว่าเครื่องหมายสุภะแปลว่างามแล้วเราก็ตั้งภาพเขาต่อไปเมื่อตั้งครั้งแรกเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าสุภนิมิต <c oughs> แล้วตั้งต่อไปให้ขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้ให้มันเป็นเรื่องราวขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอนุพยัญชนะ <c oughs> อนุแนะปลว่าปลีกย่อยนะพจนัญชนะก็หมายถึงว่า ให้ขยายข้อความให้มันมากเรื่องเราสังเกตไว้เวลาปรุงแต่งหาใครเนี่ยหนึ่งคิดทั้งแรกเนี่ยเรายังเฉยๆก่อนนะอะกิเลสยังไม่เกิดถ้าเกิดว่าเราขยายภาพเป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าอนุชนชนะอนุพยัญชนะเนี่ยเอาละเริ่มจะเกิดกิเลสละกิเลสเราที่ไม่เกิดที่สยบอยู่เนี่ยก็เริ่มฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาเริ่มเริ่มเกิเกิดกิเลสขึ้นมา อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเกิดจากการดำลิห า, เ, าเกิดจากความดำลิดำลิหาเขานั่นเองอันนี้พุทธองค์ทรงกล่าวกับพระธิดาพรยามานว่า <c oughs> กามเอ๋ยเรารู้จักเจ้าแล้ว <c oughs> เจ้าเกิดจากความดำลิ <c oughs> เกิดจากความดำลินี่เองอันนี้ที่บอกว่าความดำลิเกิดจากประเภทนี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ย เมื่อดําลี่หาเขาแล้วก็ขยายเป็นเรื่องเป็นราวให้มากขึ้นคิดทั้งวันที่ทั้งคืนน่ะคิดมากมากๆการมาลาคดุนี้ก็เกิดขึ้นมากมากมากมากมากมากเมื่อมากๆมากกระเผลลนจิตใจคนนั้นน่ะเล่าร้อนเล่าร้อนเล่าร้อนเล่าร้อนเมื่อเล่าร้อนมากมากๆทนไม่ไหวก็ต้องแสวงหาแสวงหาเมื่อแสวงหาก็กลายเป็นที่มาของสามีภรรยากัน เกิดการสแสวงหาขึ้นมาขาบวนการเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นขบวนการของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นนี่คือฝ่ายเกิดนะฝ่ายเกิดคือเกิดขึ้นโดวยวิธีนี้ถ้าจะเรียกให้เต็มสูตรนะร ก, รก็จะเรียงลําดับว่าเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยเราเกิดมาจาก เ, เกิดมาขึ้นมาในโลกเนี่ยต่างคนต่างพกพากิเลสตัวนี้มามาก่อนแล้วเพราะว่าเราคงจะเกิดมาหลายชาติ แต่เราลึกชาติไม่ได้ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรแสดงว่าเราเกิดมาพกพามาแล้วการที่พกพาความเป็นกามติดกิตมาแล้วเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามีเพราะอะไรเพราะวัยยังไม่ถึงถามว่ากิเลสมีไหมซ่อนอยู่ในนั้นเขาเรียกว่าอนุใัยามเด็กๆเนี่ยกิเลสของเราเจะหดเข้าไปอยู่ในอยู่ในเบ้าอยู่ในจิตนั่นแหละเขาเรียกว่าอนุัย ยามแก่มาก็เริ่มหดเข้าไปในรูเบ้าเหมือนกันยามเด็กกับยามแก่ถ้าเบียบเหมือนดอกไม้นะดอกไม้ตุ่มๆเนี่ยเราไปดมกลิ่นไม่ค่อยหอมหรอกไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ถ้าออกบานมาหน่อยนะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะแล้วก็บานจนทีงสุดแล้วเนี่ยร่วงโรยแล้วเนี่ยเริ่มร่วงโรยแล้วเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มค้าแล้วกลิ่นก็เริ่มหายละแสดงว่าไอ้ตุมมันก็กลิ่นน้อยไม่ค่อยมีกลิ่น ไอ้่วงโรยก็ไม่ค่อยกินแต่ระหว่างกลางนะเนบ่งบานเนี่ยกลิ่นโชยเชียวกินกินออกเลยชั้นใดก็เหมือนกันคนเราเนี่ยระหว่างเด็กกับแก่แกเน่ยมันก็น้อยหน่อยแต่น้อยไม่ได้หายไปไหนนะหดอยู่ในเบ้านั้นเขาเรียกว่าอนุใสถามว่าดอกตุ่มตมเนี่ยกลิ่นหอมมีไหมมีแต่ทาไมไม่หอมนะ่ะมันซ่อนอยู่ในนั้นนหะมันยังไม่ออกเดี๋ยวหน่อยน่อยมันบานก็ออกลนะ ฉะนั้นก็เหมือนกันว่าวัยเด็กของเราจะไม่มีแต่โตมาก็เริ่มฉายแววว่ามีขึ้นมาความรู้สึกนี้จะมีอยู่การที่เราพกพามาในจิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าการมาธาตุกามมาธาตุเมื่อกามาธาตุนั้นพกพามาทุกคนแสดงว่าพกมาหมดแล้วธรรมชาติให้มาให้มาเมื่อไหร่ไม่ทราบแะพกพามาแล้วเนี่ย จากกามาธาตุนี้จึงเมื่อมีฤทิ์พิษส่งออกมาเริ่มออกออกเขาเรียกว่าออกอฤทธินะ์เมื่อวัยวัยที่เราโตขึ้นมาก็เริ่มออกสําแดงฤทธิ์ออกมาจากกามาธาตุก็กลายการมสัญญากรมสัญญาแปลว่าจําได้ใส่ใจใส่ใจจําได้จําได้หมายรู้นะสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้จําได้ หมายรู้ว่า ม, มันมีอนุภาพอย่างไรมีอารมรู้สึกอย่างไรจากกามาธาตุกลายเป็นกรมสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามมสังกปะแปลว่าดำริหาย่างที่บอกว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงก็คือดำริหาที่บอกว่าดำลิดริหามันมาจากขาบวนการก็คือหนึ่งจากจากจากเราพกพามาเขาเรียกว่ากามธาตุ เมื่อการมัดาดมีอยู่จึงเกิดการมสัญญาเมื่อการมสัญญามีอยู่จึงเกิดการมสังกปะแปลว่าดํำริหาจะเมื่อเกิดการมสังกปะกลายเป็นการมัฉันทะแปลว่าพอใจจากการมัฉันทะเป็นที่พอใจจึงเกิดการปาริราหะแปลว่าลุ่มร้อนอย่างที่บอกว่าเมื่อคิดมากขึ้นมากขึ้นมากก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้ น, น, น, น, นใช่ไหมลุ่มร้อนปริราหะแปลว่าลุ่มร้อน จากการปริละหะกายเป็นการปริเยสนะแปลว่าสแสวงหาเป็นที่มาของสแสวงหาสามีภรรยากันขบวนการมันยาวเหยียดเลยนะแต่เวลาเกิดแป๊บเดียวนะดัะนั้นผู้เจ้าได้กล่าวถึงความเกิดความเกิดว่ามันเกิดแบบนี้นะเราไปดูเนื้อขวานี่จริงๆเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้ผู้เจ้านี้กล่าวถูกต้องเลย อ๋อขบวนการการเกิดมันเกิดอย่างนี้จากกามธาตุกลายเป็นกรรมสัญญาจากกรรมสัญญากลายเป็นกรรมสังกปะจากการมสังกปะกลายเป็นกามฉันทะพอใจจากกามฉันทะกลายเป็นพระริราหะเล่าหลอนจา ก, กาปริราหะากล า, ายเป็นปริเยสนาแปลว่าสแสวงหาเมื่อสแสวงหาก็เกิดขึ้นทําให้หญิงได้ชายสแสวงหากันมากมาย ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันนี้ฝ่ายเกิดนะทานี้ฝ่ายดับเนี่ยดับอย่างไรเราจะต้องรู้ความเกิดความดับเขาอย่างนั้นเราจะดับเขาได้อย่างไรไม่รู้ฝ่ายเกิดไม่รู้ฝ่ายดับการดับของเราจะเกิดขึ้นมีได้อย่างไรเล่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ฝ่ายเกิดฝ่ายดับเนี่ย เราจะแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็คือว่าฝ่ายเกิดเกิดอย่างนี้แสดงว่าคนเรานี่นะการเกิดกามากิเลสเกิดพิธีนี้อย่างเดียวไม่มีวิธีอื่นแสดงว่าเราคิดอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยเท่ากับว่าเราเติมเชื้อเข้าไปเลยเรื่อย กามที่เรามีอยู่เนี่ยมันลุกไหม้ไฟเออไฟใหญ่กองใหญ่เผาลนจิตใจเราตลอดแต่เมื่อเราคิดเพิ่มคิดคิดไปเมื่อมันฝ่ายที่เราคิดหาเขาเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดแล้วเราก็ขยันคิดอยู่เลยคิดอยู่เลยกระท่บกับว่าเราเติมฟืนเข้าไปเติมฟืนเข้าไปโอเราเติมมานานนแล้วเราจะเติมต่อไปอีกต่อไปเนี่ยกามเหล่านี้คงจะลุกไหม้ในใจเราเนี่ยมากมายกลายเป็นไฟกองใหญ่ หาาศอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากามที่มีอยู่แล้วเนี่ยถือว่าเกิดอยู่แล้วแต่เราไปคิดเพิ่มเข้าไปอีกซ้ำเติมเข้าไปอีกแล้วแล้วเราเท่าเท่ากับว่าเราไปเพิ่มผลของกามนั้นให้ทวีคูณไปตามลำดับลาดับลาดับนี่คือความน่ากลัวสำหรับคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จักว่ากามนี้เกิดอย่างไรแล้วก็มีผลเพิ่มอย่างไร ความเพิ่มของกลามคนนั้นเนี่ยก็จะมากขึ้นมากขึ้นเขาจะพ้นจากอำนาจกามได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้แน่แเขาไม่พ้นแน่อันนี้คือฝ่ายเกิดของกามนะทีนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายมีผู้เจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านก็สแสวงหาทางดับเรื่องนี้จึงคิดหาทางแก้ไขเมื่อรู้ฝ่ายเกิดอย่างนี้ต้องรู้ฝ่ายดับฝ่ายดับทํำยังไง คิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเรานี่นเป็นฝ่ายดับฉะนั้นก็เลยว่าการดับกามนั้นก็คือเราจะต้องเอาจิตมาคิดถึงตัวเองการที่เราทาสมาธิมาแต่แต่ต้นเนี่ยถึงดับไม่ได้ไงเพราะว่าระบบนั้นดับไม่ได้เวลาทาสมาธิมันดับไม่ได้เพราะว่าระบบมันไม่ใช่ระบบดับ การทำสมาธิเท่ากับว่าเราหลบหลบกามไปสงบอยู่แต่ออกมากามก็มีเหมือนเดิมแถมมิหนำซ้ำเรายังคิดกระหากามอีกก็กลายเป็นว่าผลเพิ่มของกามก็จะมากขึ้นไปก็กลายเป็นว่าเรา เ, เรานิ่งอยู่ในสมาธิออกมาปล่อยจิตคิดไปคิดไปไหนไปทางกามเหมือนเดิมแล้วก็หนักๆนันนเข้ามาเราก็มาทำสมาธิอีกอย่างนี้เนี่ยเราจะหมดได้ยังไง เดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวดึงกลับเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวดึงกลับคนที่เขาหมดจริงๆแล้วเนี่ยเขาชนะได้จริงๆเนี่ยเขาจะมีระบบที่ถูกต้องคือระบบอย่างมีประสิทธิภาพหรือระบบที่รัดกลุมเข้มงวดมากก็คือการทำที่มีระบบแบบแผนที่ถูกต้องเราถึงจะชนะกามนี้ได้ ดัง น, นการที่จะชนะอชนะการนี้เนี่ยเขาทําอย่างระบบอย่างไรก็คือว่าต่ อ, ตอ น, นี้ไปเรารู้ว่าฝ่ายกามนี่เกิดอย่างนี้เราอย่าให้เกิดอย่าให้ได้ช่องได้เชื้ออย่าให้เติมฟืนเข้าไปไฟมันลุกอยู่แล้วเราเติมฟืนไปเรื่อยๆไฟนั้นจะดับได้อย่างไรเรา ในเมื่อการมีอยู่แล้วเรายังคอยจะไปคิดตามเขาอีกคอยจะคิดตามเขาอยู่เรื่อยๆมันจะหมดได้อย่างไรมันก็กลายเป็นผลเพิ่มอยู่เรื่อยๆนั่นเองคนนั้นไม่เข้าใจถึงได้ปล่อยใจอย่างนั้นทีนี้ว่าเมื่อการที่เราจะให้การหนอหนีด้ดับไปไม่เหลือจากใจของคนเราเนี่ยวิธีแก้ก็คือว่าต่อ น, นี้ไปเรารู้ว่าคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิด ตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้จิตคิดถึงใครเลยในโลกไม่ได้คิดถึงเรื่องทุกเรื่องโดยเดไม่ได้ถ้าคนที่หวังหวังหวังเาเรียวกว่าหวังนิพพานจริงๆนะต้องทำแบบจริงจังนะตั้งปณิธานว่าต่อจ น, นี้ไปเราจะไม่ให้จิตนี้คิดถึงใครเลยแล้วเอาจิตที่ไม่คิดถึงใครนะมาคิดถึงตัวเองแทน คิดถึงตัวเองแทงคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายดับเราจะต้องดับด้วยการคิดถึงตัวเองคิดถึงเขาเนี่ยเป็นสุภนิมิตคิดถึงเราเนี่ยเขาเรียกว่าอสุภนิมิต ด, ดำริหาเขาเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดจากเกิดกามกามที่ทำให้เกิด แล้วดำริถึงตัวเองเนี่ยคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นการเนคข ม, มะแปลว่ า, าเขาเรียกว่าออกจากกามเนคข ม, มะแปลว่าออกจากกามนะอย่างเช่นว่าเราเนี่ยเป็นนักบวชเนคข ม, มะที่เราได้ยินว่าเนคขมะเนคขมะแยกนามชายเนคขมะหญิงที่เราได้ยินอยู่เสมอแปลว่าบุคคลที่ออกจากเจ้าเรือนออกจากกามนะเราออกชั่วขณะเราก็ออกจากกาม นั่นเนคข ม, มะตรงนี้ก็คือออกจากกา ม, มนะสับเดียวกันเวลาเราอบรมเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ใช้สมาธิเลยนะถ้าใช้สมาธิไม่ได้เพราะว่าเราใช้มาแล้วนี่บางคนบอกว่าเดี๋ยวเอาสมาธิเนี่ยทาลายกามไม่มีทางเลยจะไม่มีทางเลยทำไปเถิดมันจะไม่มันจะไม่ได้เลย คือใครจะว่าอะไรก็ว่านะแต่เวลาทนะํเนี่ยมันไม่ได้เราเข้าพิสูจน์ไปแล้วมันไม่ได้ฉะนั้นเราเห็นว่าความเกิดเป็ดอย่างนี้แต่ความดับก็แก้ด้วยวิธีคิดถึงตัวเองแต่ทีนี้ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยคิดถึงตัวเองเนี่ยคิดถึงไม่ ไ, มได้ไม่ออกไม่ไม่เห็นทำไมเราคิดถึงเพศตรงข้ามเห็นล่ะชัดมากเลย แล้วก็ชัดยังไม่พอทําให้เราเกิดกิเลสด้วยเพราะ อ, อะไรเพราะเราทํามาอย่างชํานาญชํานิชนํชนานาญในการคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอจิตของเราก็เลยมีประสิทธิภาพทําให้เราเนี่ยทำได้ง่ายมากแล้วก็ทําเป็นประจําอย่างคล่องแคล่วชํชนานิชํานานการที่เราทํามาหลายชาติหลายภพทําจนเป็นที่ชํานาญของเรานั่นเองเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยคิดถึงเขาคนอื่นได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วมากแค่แวบเดียวในจำได้เลยไม่ต้องนานหรอกภาพนี้บันทึกไว้ในใจเรียบร้อยแต่ภาพตัวเองเนี่ยนึกไม่ออกเลยนึกไม่ได้นึกไม่เห็นถึงคนนั้นจะมีสมาธิมากมายขนาดไหนเนี่ยหวังว่าสมาธิของเราจะมารู้เห็นตัวเองก็ลองดูเถิดไม่มีทางไม่มีทางไม่เห็นถ้าจะเห็นตัวเองก็เห็นรูปของนิมิตไป นิมิตก็คือภาพเราเนี่ยแต่ว่าเป็นภาพขึ้นมาแต่ไม่ใช่ร่างนี้มันเป็นนิมิตอันนั้นก็ไม่ดีออกมามันก็หายอีกหายออกมาหายแล้วมันมันลืมนะหายก็ลืมลืมจิตก็ฝื้นจิตก็กลับกรอกพุทธเจ้าสอนให้เห็นร่างจริงเหล่านี้นะไม่ใช่ร่างนิมิตร่างแท้ๆของเรานี่ยนะแต่ว่าของอะไรก็แล้วแต่ เรายังไม่เคยเนี่ยมันก็มองไม่เห็นหรอกถ้าเราจะให้เราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยก็มีวิธีเดียวก็คือทำให้มากทำให้มากจเจริญให้มากอบลมให้มากแล้วเขาจะแจ้งขึ้นมาเชื่อไหมว่าเราสามารถจะเห็นตัวเองได้ได้นะชัดเจนมาก เราสามารถที่จะเห็นล่างเราเนี่ยทั้งหมดจะชัดเจนมากแจ้งมากยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกตาเนื้อเราเังถือว่าแจ้งไม่พอนะชัดมากเลยนะได้แต่ต้องมีการอบรมบ่อยๆฉะนั้นการอบรมตรงนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอันนี้การอบรมนี่เองจึงชื่อว่ามัคคีองแปดความเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ การดำริอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรสัมมาสังกรปร์ดำริชอบดำริอะไรดำริออกจากกามซะดำริออกจากพยาบาทซะดำริออกจากการเบียดเบียนซะจึงเกิดขึ้นมาเป็นมรรคข้อที่สองใครจะเลียกลี้ยงเสียซึ่งการอบรมมรรคทำสมาธิด้านเดียวคิดว่าเราจะทาหลายกิเลสได้ลองดูเถิดลองดูได้เลยมันมันไม่ได้อะนะ